1>, 1. ปัตตว์สิกขาบทที่เจ็ดว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริหารที่เขาถวายส่งข้อที่สองเรื่องภิกษุณีหลายรูป763สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพรเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นอุบาสกและอุบาสิกา รวบรวมบริขารที่เขาให้ด้วยความพอใจเพื่อฆ่าจีวรถวายภิกษุณีสงฆ์แล้วฝากไว้ที่บ้านของคนขายผ้าคนหนึ่งแล้วเข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าพวกเราฝากบริขารฆ่าจีวรไว้ที่บ้านของคนขายผ้าชื่อโน้นท่านทั้งหลายโปรดให้ไวยาวัจกรไปนําจีวรจากบ้านนั้นมาแจกกันเถิดเจ้าค่า ภิกษุณีทั้งหลายขอให้เอาบริขารนั้นแลกเปลี่ยนเพศสัตว์เองแล้วบริโภคพวกอุบาสกและอุบาสิกาทราบเข้าจึงตำหนิประนามโพลธนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีจึงให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่สงที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นเล่า ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินอุบาสกและอุบาสิกาตําหนิประนามโพลธนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยตําหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีจึงให้เอาบริการที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของไว้อย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่สงฆ์ที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นเล่า ครั้แล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนั้นไปบอกภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุได้นำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ